ก็พอเฉียบปอผู้ป่วยนั่งกินกเขาก็จะชเ้อมองมองแล้วเขาก็จะไม่คผิดหวังอะค่ะแล้วเาก็ปวดเขาก็ปวดมากเลย็เหลือก็แต่เโตโตนะคะแล้วก็ฝาก็เริ่มเดียวดิบเพราะว่าเขาปวดแต่เขาก็ปวดหนมากแล้วก็ไม่ยอมเอายาแก้ปวดเพราะเพราะเาถามเราว่าอยากแก้ปวด เขาปีแล้วเปล่าเราก็บอกใช่ดิเพราทุกการมันก็ต้องมีบอกปีนทั้งนั้นแหละเขาก็บอกนําขพอจะไว้แม่เอานะคะจะให้ยาแก้ปวดอะไรก็ไม่เอานี่ลูกสาวเมาตัวขนาดพิชิตยา่ะดพิชิตก็ถามเขาว่าคอยลูกสาวหรือเขาก็ไม่พูดนะคะพิชิตก็บอกว่าถ้าลูกสาวมาพิชิตจะบอกให้ ตอนนี้นอนพักสะกดเดิมเพราะว่ามันมือก็ออกด้วยแล้วก็หายใจก็ลาบากอย่างนี้ฉันก็เอาพัดของเขาเนี่าให้เขาพัดให้เขานะคะและอีกมือก็จับมือเาเอาไว้เป็นให้กำลังใจเขาแล้วก็บอกบบเออคิดว่าดีจะเป็นลูกจเขาแทนคนแล้วกันนะเขาพให้าไปเาก็ยังไม่ปลใจค่ะพเสียงดังที่ดักเขาก็เชะเอขึ้นมองจน รู้สึกเขก็คงตัดใจที่เราบอกไปนะคะเราบอกว่าเออถ้าเกิดหลับไปเนี่ยลูกสาวมาเมืไหร่เนี่จะปลุกไม่ทันหรือไม่อย่าง้ว ก, ก็บอกเอาไว้ว่าจะสั่งอะไรถึงลูกสาวแล้วก็จะสั่งให้ลูกสาวนั่งคอยแล้วก็ตัด้าตาเหมือนฝ่ายินใจอย่างมากนะคะในที่สุดเขาก็หลับตาลงหลับตาลงแล้วก็พัดให้เขารู้สึกลว่าเออเขาจะได้หลับไปใช่ไหค ะ, ะแค่ที่จริงพอเขาหลับตาลงเนี่ย เขาก็คงตัดใจว่าเขาไม่คอยแล้วอะค่ะแล้ฉนว่าก็หายใจใจทั้งสองสับเรื่อเนี่ยเขาก็มัเาว่าเื่อสุดท้ายอะค่ะที่เขาตายู่ือสขึ้นมาองเขาที่อยู่ในมือเราเนี่ยเียม่เขาก็จิกลงไปกางมือเราตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจล้วก็แบบนินจะบอกเขาบอกเล่นบ้าอะไรกันเนนี้แต่พอหาไปเห็นหน้าเราเนี่ยค่ะก็รู้ว่าลงเรื่อสุดท้ายเราแต่เราก็สิงใจ เพยเ็นได้นะคะภาวะใกล้ตายเนี่ยบางทีเราเราถ้าเราไม่สังเกตดีๆเราก็อาจจะผิพลาดได้ไม่ยังไรคนแรกที่เหมือนว่าดิฉันจะให้เป็นเบรดนะคแต่บางรายเนี่ยก็จะไม่มีตัวนะคะเพราะว่าจะากไม่ฟังอะไรเลยแล้วก็่ายสสติก็ไม่ตั้งแลยก็จะล่องมอยายไปเย แต่ลึงก็บอกว่าเจ็บช้ำนึงเห่างนี้ค่ะถ้าแบบนี้เราก็ไม่มีทางเลยที่จะไปกัไปตำสนิขึ้นไปาำอะไรให้ได้แต่ถ้าเผื่อเราดูแลเอาอย่างดีแล้วอีกรายนงนั้นไม่ใช่คนไข้บอกดีัจเองเป็นคนไข้ที่หัวหน้าพยาบาลที่หอผู้ป่วยออไอซีดูอะค่ะ เธอจะเกษียอายุแล้วก็ทางโรงพยาบาลจัดพุทธิการกีกให้ก็เชิญพวกเราไปด้วยแล้วก็เชิญคนไข้ที่ตัดน้าสาระรอดนะคะคนไข้คนเนี้ยมาพูดก็น่ารักมากแต่ก็บอกว่าหมอนคนก็ดีอะไรอะไรเล่าหน้าที่ทุกอย่าก็ดีหมดแต่ต้องที่ว่าที่เขามีชีวิตรอดมาได้เนี่ยเพราะคุณพยาบาลของหน้าติ๋งเนี้ยเขาก็เล่าใหฝฟังว่าตอนแรกที่เขาเข้าไปเนี้ย เขามีอุบัตดดีแล้วก็ตํารวจนำตัวกเขาเข้าไปตอนเข้าเข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยนะคะเขามีความรู้สึกว่าใจเขาเนีไม่ได้อยู่ในเรือนเด็ตัวค่ะมันวิวไปทั่วสารทิศเลยและตอนแรนเขาก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรขนาดนั้นแต่พอสักวันสองวันที่เขาก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยคือคุณพยาบาลคนนี้พอเช้าเข้าเวรมาเนี่ยถ้าเปิดคนให้ที่วได้เนี่ยก็จะไป ทักทายรือผู้ให้กำมังใจถ้ามลทัยโผล่มาอยู่เนี่ยเขาก็จะเอาดุลแตะที่ตรงหน้าอกเขาหรือที่ตัวเขาตรงไหนแล้วเขาก็จะเริ่มเติมส่วนมลและในตาให้เราข้าก็จะบอกว่าหมอชวงวันที่สองเนี่ยค่ะพอเวลาที่คุณพยาบาลมาแตะตัวเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกมันมันมีแม่เลยที่ดูใจเข้าที่มันริ้วบปแตะลิเนี่ยให้ค่ยมันมันรู้ว่าเขาจะต้องร่อนลงตรงนี้ให้ได้ เขก็บอกกันเหมือนมีพลังและต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ตักว่าใจเขาเข้าไปอยู่ในตัวเขาได้มันจะเข้ามามันจะบิวไปตรงโนไปตรงนี้ไปตรงนั่นนะคะนี่พอเข้าเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยต่อมาเขาก็รู้สึกตัวขึ้นนะคะและเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าพอคุณพยาบาลเช้าขึ้นมามาพูดคุยกับเขามาให้กำลังใจเขาแล้วพอจะลงเวรตอนบ่ายเลิกงานเนี่ยค่ะ เดี๋ยก็จะมาเล่ารายลก็จะบอกว่าขอให้นอนหลับให้สนิทได้ดีนะคะพรุ่งนี้เราไปได้เดี่ยวกันดีีนี้ช่วงนี้เนี่ยขาดีขึ้นจนกระตั้งทุกคนก็วางใจแต่เขาบอกว่าพอตก5ทุ่ม6ทุ่มเนี่ยเขาปวดขึ้นมาอีกซึ่งก็ไม่ร้ว่าปวดมาจากตรงไหนแค่เป็ปวดจนมีความรู้สึกเหมือนแบยู่หใจให้มันเะตายไปแล้วรู่ แต่เขาบอกเขาคิดอย่างนั้ น, นะะเนี่ยค่ะเขาก็เลือตายเดี๋ยวพรุ่ง น, นี้คุณพายพาบาลขึ้นมาแล้วเห็นเตียงเขาว่าไปเนี่ยเธอก็จะเสียใจว่าเธอดูแลเขาไม่ดีพอเ่อหใจต่อปองก่อนเธอพรุ่งนี้เช้าพอเธอขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าที่น่ามาตั้งต่คืนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแล้วบางทีมันก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันหายใจไม่ไหวแล้วเพระเจนก็วันรุวว่งขึ้น คุณพยาบาลมาแล้วเห็นเสียงเขาว่าไปก็อย่าเสียใจนะคุณพยาบาลทำดีที่สุดหมดแล้วแต่ว่าตัอเอมันไม่ดี ม, มันมันมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนัขอลาไปแนะแต่ก็แหลค่ะทำงานเนี่ยดีที่สุดหมดเลยเช้าไปดูเราให้ดูพยาบาลฝากตอนเย็นคุณพยาบาลจะกลับบ้านก็ลุกลากันอีกกระั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้เปประมาทที่ส่ดทุกการที่เราคิดว่า จากมาไปดูแลลุงเรก็จะได้สิุ่ลพยาบาลที่แบบนี้แล้วก็บอกตัวเองว่าถ้ายังหใจไก็หายใต่อไปก่อนเชิญให้ได้ลาอาจารย์กอรก็เลยเี่ค่ะทำใ่อยู่มาได้ทุกว่าจะได้อาการดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเราลอดชีพหมาเนี่ยเขาคิว่าพอเอ้เลือใหญ่ี้โยงใหญ่แี้ที่เขารู้สึกว่าคามหัวใความเมตตาของศุลย์พยาบาลเนี่ยทาให้เรา ไม่สามารถที่จะหยุหาใจเพรเป็นการทําร้ายกันทําให้คุณปฏิบัติจะต้องเสียใจอย่างมากนะนะตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นนะคะว่าใจคนเราเนี่ยถ้าเมันมีความผูกพันธ์และมันมีความห่วงใยอะไรกันเนี่ยมันมันก็จะพยายามที่จะรักษาชีวิตเอาไว้นด้เราถึงได้บอกนะว่าถ้าเกิดเป็นญาติเราหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดที่นั่นเนี่ย การที่เราไปย้ำเยี่ยนไปแตะต้องว่าที่เ o u c h ให้ให้ให้เขารู้สึกเขาชื่นใจอกตนใจและเขามีความรู้สึกว่าเออถึงจะเก็บยังไงยังไงเนี่ยก็ยังก็ยังพอไหวอยู่เนี่ยนะคะตรงนี้จะช่วย้คนกิ๊กอิ๋มาได้หลายหลายรายค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดมันทุนตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น แต่ถ้าเกิดเอารู้ส so ึกว่าเองเราไม่มีกํำลังหรือว่ากับหมอกับพยาบาลกับอะไรเราก็ไม่มีเยอะใหญ่ด้วยเนี่ยมันมันจะไปได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเปนเหมือนเราที่เราดูเคยเต็มที่แล้วเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันยังหัวมันเฮ่อเพราะก็สังเกตนะคะเรามีคนไข้หลายๆคนที่เรามองดูเราก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักหาสาหัสเท่าบางคน แต่พอเอาวันุเรื่องหมายถึงคำตายอะไรอย่งเงี้ยค่ะและจากที่เราเป็นตัวอย่างมานี้ซึ่งเรากลับมาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าด้วยด้วยความหวาเนี่อาจจะ ก, กาลุ่ากรลังการแพทย์บางคนที่มีความสุขพันเขาหรืออะไรนะคะมันมันก็ทำให้ดีขึ้นหรือแม้แตนั่งคนไข้ที่ทบ้านเนะะี่ยค่ะแล้วก็ เ, ออเจ้าของไข้ก็ห า, างเด็กจับซูนหรืออะไรก็ตามแล้วก็เหมือนคนแรกคนไข้เนี่ยถ้าเกิดเิ เ, เด็กกับคนไข้มีใจที่ดู ก, กันนะคะแล้วรักใครกันเนะะี่ยค่ะก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เอ่อให้ใช้แต่ว่ามีใจที่เปิดกว้างขึ้นหาได้ดีขึ้นซึ่งของพวกเนี่ยางครั้ มันไม่ได้อยู่ที่ตำราหรือว่าอะไรที่เราดูแล ว, ว่ามันต้องรู้แหละมันมันอยู่ที่ใจใจของคนไข้นีนะคะ่ค่ะถ้าเขาเปิดรับเรียว่าเขารู้สึกว่าคนที่ดูแลเขาเนี่ยมันมันดุใ จ, ใจรเรียว่ามีความผูกพันกันเข้าสนุกเข้าคุยเข้าเล่นเข้า อ, อ, อ, อะไรด้วยนะคะมันก็จะพื้นสิได้เร็วขึ้นตรงนี้ที่ได้บอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสิ่งค่ะแล้ว สำหรับตัวเองเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้พูดจาไปรู้เรื่องหรืออะไรเนี่ยเราจะพยายามให้คนไข้และญาติคนไข้เนี่ยได้พูดกันแล้วก็ได้รู้ถึงสถานะว่าถ้าเกิดเป็นบรเิเณหรือว่าเป็นโรคที่มันเรื้อรังนะคะและมันไม่หายเนี่ยเราจะให้เขารู้ว่าแต่ไม่ใช่หมายความว่าที่บอกว่าไม่หายจากไม่หายก็อยากคนไข้คนๆที่เกิดเกิดแต่แล้วเราก็คิดว่า เขาอาจจะเดินกไม่ได e, ้เรื่องอะแต่ถ้าโดยเราบอกให้เขามีกำลันใจให้เข้าิริยาที่จะนั่งกายภาพเบาๆคือว่าเขาช่วยตัวเองที่จะกระยับไปเยดอนเคลื่อนไหวตัวเองก็มีค่ะที่บางรายที่เราไม่คิดว่าเราจะกลับเดินได้เขาก็กลับเดินได้นะคะแล้วเอาเกงเขาก็มีกำลังใจที่เขาทําอย่างที่เราแนะนําแล้วเนี่ย หรือมันจะเหนื่อยหรืมันจะยากลำบากจะมีความสม่ำเสมอและเขาดีขึ้นจนในที่สุดเขาจะสามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะคะเขาไม่ได้เกิดประเพาะใหญ่ที่จะทำอยู่เรื่อยๆมันก็มีแต่บางรายที่กินแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่บอกให้ทาอะไรก็ไม่ทุกทีแต่ว่ายากเกินไปไม่ทุกทีเคยําเถอดนะคะอันนี้โอกาสก็จะเสียไป แต่ถ้าเหลือถ้าเหลอเขายอกดิ้นจะบ่นจะไหวอะไรก็ม sí ีผู้ชายบนหนึ่งที่มีอุปกรณ์อย่างนี้ค่ะแล้วก็ตบเลื่อนในสมองผ่ามอผ่าสมองเข้าไปแล้วพอหลังจากที่เอาเลือ่ออกหมดอะไรต่อแล้วก็พบว่าสมองเนี้ยไมมีผิดพลาดไม่มีอะไรเปลียนแงแต่เพราะว่าแรงจะแค่ที่รดความเนี่ยมันแรงจนั่งมันตกเลือดนะคะ คุณหมอก็บอกเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นอัมพาตแต่มันจะฟื้นตัวได้แต่ระหว่างที่ยังรู้สึกเหมือนเป็นอัมพาตอยู่เนี่ยคุณจะต้องฝืนตัวเองที่จะลุกขึ้นทำกายภาพบำบัดได้เไง่ายอย่างนั้นถ้าสุดช้าไปโอกาสที่กล้ามเนื้อที่เหมือนไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทํางานเองเนี้ยมันก็จะทําให้อ่อนแรงลงและก็ แสมองที่หลังจากที่ผมช้ำมันเริ่มดีแล้วเขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นเองได้อะไรเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่ที่นะคะครั้งแรกที่เราไปให้เขาลุกขึ้นเนี่ยเขาก็จะที่โบนแต่พ่อต่อว่าเราว่าเแขนเขาเพราะว่าเราจะให้เขาต้องไปเลื่อนลำหน้าที่ขึ้นบนทางลาาประมาณ 15-15 องศานี่ค่ะเขาก็จะบอกว่า คุณหมอใจดำเพราะว่าไอ้นี้เขาเลื่อดขึ้น15่าองศาเนี่ยมันเหมือนก็ว่าให้เขาเข็นเขียดหนักๆทั้งทอดนะคะเราคุณหมอมาเป็นผมคุณห ม, มาอก็ทำไม่ได้เราก็บอกเออนําส่ยภาเบอร์บิดบอกเออมัจะบนยังไงก็ อ, อย่าไปฟังแต่ ว, ว่าพยายามนะคะให้เราทาเกินได้มันก็จะบนไปแล้วทําทำไปอย่างที่เรียกว่าเป็นกระบวนที่จุดเลยจะพอ สองวันสาไว้ท <pty one theory> ี่ต่อมาไอ้ในสมองที <pastry sweater> ่ปูบที่อะไรมันเริ่มดีขึ้นก้อนเนื้อเขาก็เริ่มมีกวาหนังขึ้นจะมาละแต่ที่เราไปปีบังคับให้ทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้ที่มันจะปอไปที่มันจะเสียไปเนี่ยมันก็ยังดีเพราะฉะนั้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแก่ะเขากลับขึ้นดีขึ้นมาประมาณจ้าเก้าสิห้าเปอร์เซ็นต์ไดันตรงนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออ ที่เขาพูดที่เขาบ่นที่เขาว่าเราขอขอเอาไว้ขออาลูกศิษ์นะเมื่อตอนนั้นเนี่ยยังไงบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขามีความรู้สึกเหมืนี้ยก็ว่าเราไปบีบบังคับให้เขาทำในริ่งที่มันหนักน่าด่ให้ยืนเขาก็บอกไว้ืนี้นกับว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวยืนได้แล้วก็บอกก็เกาะเกาเอาไว้แล้วก็บอกว่าเท้ามันทรอนมันไม่ยอมที่จะนั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะ ถ้าเกิดเราเอไปวุ่นวิ่งเพื่ีอารมณอบนะคะมันก็จะเสียหายกันมากแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเราทําใจของเราเนี่ยให้มันสงบให้มันแผดเผ็ตาได้เนี่ยอาการของคนไทยเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะว่าใจของคนเราเนี่ยมันเป็นพลังเวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยล่ะมันจะเป็นคลื่นเหมืนคลื่นเสียงและคลื่นอันนี้นี่มันเหมือเราทิ้ เออก็ดิ่ลงไปในน้ามันก็จะมีระลอกไปทั่วจนถึงขอบสามใช่ไหมคะไอความคึดของเราเนี่ยค่ะที่เราหุ่เข้าด้รือเราแหวนเบตาให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นชื่นไปในจักรวาลนี้นะคะแล้วมันก็จะไปทําให้เ้าเนี่ยรับสัมผัสได้และถ้าเกิดเราคงเส้นคงวาอยู่ไอที่เขาจะมองแง่ที่เราจะรู้สึกว่ามันไม่ไหวเนี่ยเขาจะรู้สึกขึ้นมาเอง่กล้แต่ว่า หน้าหยุ time, lo, lo, vou, en, ่บทหรือว่าลองทำดแล้วการที well, ่เราเราแผาให้เขาเรามีกำลังใจที่ตัวเขที่นั่นเนี่ยมันเหมือนเป็นแรงช่วยนะคะอย่างคนไข้ที่พูดถึงคุณหัวหน้าพยาบาที่เกษียณนะคะมันมันเป็นมันเป็นพลังที่มันแปลกจริงๆที่เราเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถ้าเกิดเรามี ตาที่มองเห็นได้มีเครื่องมือที่วัดได้เนี่ยมันเป็นพลังที่มีอยู่จริ ง, รงไม่ใช่เป็นสิ่งองมงายหรือเป็นสิ่งเลื่อนลอยแล้วใจของเราเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราทําได้เนี่ยทำได้เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยที่ระยะสิดท้ายอยู่ที่เราคิดว่าไม่ไหวที่เป็น สึ่งเด็ดแตกแล้วก็จะต้องเป็นสามผัสอยู่แล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราทำให้เกิดความรู้สึกว่าได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพื้นขึ้นมาได้มีคนนึ่งค่ะซึ่งผ่าตัดสมองเข้าเป็นก้อนเป็นองอไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะแต่บังเอิญตอนที่ผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยแล้วก็คุณหมอจาก เส้นเลอดยังเล้ามันซึมออกมาอีกเพราะพอหลังจะออกจากห้องผ่าตัดเขาทำท่ามันจะฟื้นขึ้นมาได้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนิดแล้วเขาก็กลับไม่รู้ตัวไปอแล้วก็ไม่รู้ตัวไปหลังผ่าตัดไป3าิชั่วโมงก็ไม่รู้ตัว คุณหมอก็เลยต้องตัดินใจเอาเขาไปในห้องผ่าตัดใหม่แล้วก็เป็นราะว่าไอ้ที่ตัวผ่าตัเอาไว้เนี่ยมันมีเลือดซึดออกมาแล้วก็เป็นกบท่วนของสมองก็ต้องแต่งการผูบเส้นเลือดอีเส้นเลือดใหม่จนกระทั่งแน่ใจทีนี้พอต้องผาตัดซ้ำสมงคนอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วโอกาสที่จะฟื้นตื่ดีเนี่ยมันก็น้อยลงคุณหมอก็บอกกับลึกษาว่าก็ไม่แน่เหมืกันนะว่า ถ้าเหลือพ่อรูปตัวกลืนขึ้นมาแล้วเนี่ยอยากเป็นรูปตัวดีหรือว่าอยากกายเป็นผักผาหรือรูปบ้างหรือรูปบ้างอย่างเงี้ยนะคะลูกสาก็อ่อนแล้วก็ให้ลูกสาลูกชายเข้าไปเรียมเป็นระยะระยะแล้วก็พูดไปพูดไปพูดว่าบางทีในความเพ่งความนี้เนี่ยถ้าเกิดได้เห็นเหยืคนคุ้นเคยเนี่ยโดยที่ก็อาจจะพยานามที่จะ ดึงตัวเองให้ลุกตัวขึ้นมาก็ปบบผมก็หลอดหลังสี่แปดชั่วโมงแค่หลับพลูกเขาเลยพูดด้วยเนี่ยแทนที่จะลุกตัวเพราะว่าลูกเขาให้พ่อเขาภาวนาอาไวบอกว่าพอหมอมาจิดยาให้หลับเพื่อที่จะเอาเข้าห้องผาตเนี่ยก็ให้เริ่มติมทุกนาไปเรื่อยๆแล้วพอฟื้นขึ้นมายังพูดไม่ได้ยังอะไรไม่ได้แต่พอลุกตัวเนี่ยก็ให้พูดตัวไว้ก็แล้วกันนะคะ ทีนี้พอลูกเข้าไปตามที่หมอสั่งเรื่อยๆเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็พูดโวพูดโวลูกเขาก็เลยหายหวัว่ายังไงยังไงถึงจะเป็นผักเป็นอะไรแต่ถ้ามันมีสติอย่างนี้เนี่ยก็คงจะมีขึ้นในที่สุดพอเกือบคกสิบชั่วโมงเนี่ยค่ะก็ยืตาได้ก็เริ่มพูดจาได้นะคะ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยค่ะซึ่งตอนแรกคุณหมอไม่มีความหวังเลยว่าเขาจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็ช่วยตัวเองได้หลังจากที่ลูกเขาเอามาดูอยู่อีกประมาณสกงปีนะคะก็ก็พูดพูดรู้เรื่องแล้วลุกขึ้นนั่งแล้วก็ช่วยตัวเองได้ตามจังหวะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะแล้วก็หมอบอกว่าเขาเก่งนี้เนี่ยจะเป็น ภาวะที่หนักหนาสาหัสยังไงแต่ถ้าเผื่อเราเรามีความหวังเราให้ความใส่ใจสนใจเขาเนี่ยไอ้สิ่งที่จะมื้อขึ้นมาหรือจะดีขึ้นมามันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อเรามีความหวังว่ากลับเขาที่จังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันก็มีความหวังแบบนั้นนั้นน่ะและถ้าเผื่เราให้เขาตั้งสติ เขาพยายามเล่นในสิ่งที่ดีเ่นที่เป็นคุณเป็นคุณสมอะไรอย่างนี้ค่ะโอกาสที่ะมีขึ้นมาเน่ก็ยัมัตนะคะนีไม่ทราบว่าจะมีท่านผู้ฟังที่มีญาติพี่น้องหรือมีใครที่ต้องดูแลคนไข้อาการหนัอย่างนี้อยากถามอะไรมีไหมคะถ้าเกิดทีก็เรียนเชิญได้ค่ะ แล้วแล้วถ้าเกิดเราต้องดูแลญาติพี่น้องเราหรือพ่อแม่เรานะคะถ้าเป็นไปได้นะค่ะเราควรจะมีเวลาที่เราไม่ได้อยู่มาคนไข้ติดต่ออ่านสอนเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่เราทําอย่างนี้เนี่ยบางทีอิตใจมันก็คุญแบบล้วก็หมดกําลัง ก็อย่างโรงพยาบาลเนี่ยชะกัดอย่างคนไข้ที่อยู่ดูแลบออย่างนี้เนี่ยเรายังไม่ให้อยู่เวงผิดใจกินกว่าห้าวันต้องให้สี่วันออกแบบว่าอย่างน้อยที่สุดการได้อยู่เฉยๆไม่ได้เดินอย่างนี้อยู่ทุกวันนะคะมันก็จะช่วยให้จิตใจเนี่ยมีมีพลังขึ้นแล้วก็กลับมาไม่เบื่อไม่ไม่ไม่เซ็ไม่อะไรค่ะตรงนี้ถ้าเราต้องดูแลพ่อแม่หรือว่า ลูกลราหรือว่าญาติเราที่เป็นอย่างนี้ต้องไปหาคนมาเปลี่ยนเรื่ออะไรคะอย่าอย่าที่จะทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่รู้ตัวหรอก่าว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกันว่ามันทำให้พลังใจของเราได้หมดไปแล้วคนไข้เขจะสัมผัสได้ถึงไอ้ใจของเราที่มันเบื่มันเซ็งมันไรแล้วถ้าเขารู้สึกอย่างนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะหมดว่าเขาอยากลา ซึ่งไอง้ความรู้สึกระบายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆาเพราะพอรู้สึกแล้วมันจะสุดลงว่าเราจะไปพยายามพูดให้เขารู้สึกว่าเขามีความคุณค่านี่เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยยังอยากให้เขาอยู่กับเรานะคะมันยากมากเลยแล้วพอใจเย็นหมดกำลังเนี่ยไาแล้วเนี่ยมันมีแต่ส่งกับซุดอย่างเดียค่ะอะไรกระทบนี้เนี่มยมันจะซุดลงอย่างรวดเร็วมากนะคะ แต่ตรงข้ามในที่ดิฉันเรียนนะคะว่าถ้าเหลือจิตใจคนไข้ดีแล้วก็รู้สึกเหมือ น, นกับว่าคนรอบข้างก็ยังอยากให้อยู่ด้วยเนี่ยบางที่มันมีปฏิหารเกิดขึ้นอย่างที่บอก่ะคะ่ะ ค, คนมางคนเนี่ยเราคิดว่าไม่รอดแน่แต่ก็รอด น, นะคะหรืออาจจะอยู่ต่อไปได้อีกเป็น มันที่เป็นหน้ปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เหมือนกันแตว่าทําให้อดหมูนะคะก็ช่วยตัวเองได้ก็อะไรต่ออะไ ร, ออะไรแล้วก็มีความหวังอย่างมีคนไข้ตัวเริงรายนะะเอเป็นมะเร็งที่เต้านมคุณ ย, ยายก็เป็นมะเร็งเจ้านมแม่ก็เป็นมะเร็งเต้านมแล้วพอตัวเองพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเจ้านมเนีย่ยพอคุณหมอจะผ่าตัดเนีย่ย ก็ถาบว่าแม่มาช่วดบอกว่าให้ไปอยู่ด้วยกันเถอะที่จริงอนแรกเนี่ยปฏิเสธคุณหมอไม่ยอมผ่าตัดรว่ายังไงยังไงก็ตายแน่นะคะเจมเอินลูกคนเล็กเนี่ยค่ะิยนเดือนเพื่อนก็ไปบอกบอกว่าเิเถองหยลูกเเดือดแล้วเดี๋ยวจะมีมีอะไรใหม่อ่ะและลูกจะเป็นยังไงนะคะก็เอิ้นค่ะทาให้เขาเกิดทุสิตว่าเขาจะต้องมีความรับผิดชอบกับลูกนะคะ เขาก็เลยยอมผ่าตัแล้วก็ยอมที่จะทำอะไรอะ ไ, อะ ไ, อะ ไ, อะไทุกอย่างแต่มะเร็งอันนี้เนี่ยพอผ่าตัดเสร็จยังไม่นานเลยอะมันก็กระจายไปที่หลังส่ว น, นกลมก็รีบเดนไมได้นะคะก็นั่งรถเก๋งทีนี้ตอนนั้นจิตใจเขาก็ทีาแรกเมื่อไหร่กเขาก็คิดว่าพอมันต้องนั่งรถเก๋งอย่างเนี้ยจะช่วยตัวเองอะไรได้คุณเอนกเกิด ตัวละตที k hi. K hi bon t t k k ่ก็เปิดอูนี่ยมันก็เป็นจาระดีของเมืองนอกที่คนแก่แล้วเขานั่งรถเข็นแต่เขาใช้รถเข็นที่เอามือช่วยตัวเองได้นะคะแล้วเขาก็ยังไปเที่ยวที่ประเทศโน้ประเทศนี้เขาก็เกิดความหวังขึ้นมาว่าเออถ้าอย่างนั้นเรานําผ้าของบัตรได้แขนเราแขนตัวแกร์แล้วจะมีเขาก็หารถเข็นที่มันเขาช่วยตัวเองได้ใช่ไหมคะ เขาก็มีความหวงังมามากกขงึ้นมากๆเขาจะพยายามทางกายภาพบำบัดพอมีความรู้สึกว่าเออตอนนี้เราจะได้ไปโน่นไปที่ได้บางส่วว่ามันไปที่หัวไหล่ทําให้แขนเขาทำ ง, งานไม่ได้นะคะแต่เขาก็มีกําลังใจมากเลยค่ะตั้งแต่ลูกคนเล็กเขาเจ็บอยู่เนี้ยนะคะเขาก็อยู่อย่างเจนนี่ที่เรียกว่าพยายามช่วยตัวเองทุกอย่างแล้วก็ เวลาที่นั่าไกลภาพบัติมาทำสายภาพบัติที่เขาที่บ้านเนี่ยบางทีคนไข้เหล่านี้เนี่ยนั่งไกลภาพบระเหนื่อยมากเพราะว่าจะปวดและก็จะไม่มีกำลังใจใช่หมแต่เขาจะมีเรื่องสนุกสนานมาชวนนั่งไกภาพบัติคุยจนกระั่งบางีเบื่อจะคนไข้ปวดหมาเนี่ยพราวาทีเาเนี่ยหายเหนื่อยเลยนะคะและจะคุยกันอยู่จนน คนไข้คนเนี้ยตายไปประมาณ20่ี่ละเมื่ออาทิทีลาที่ฉันเจอตาไก่บ้าบวบครับโดยบังเอิญเรายังพูดคุยสิ่คนไข้คนนี้แล้วก็บอกว่าเพ้่นแต่ก็มีคนไข้มาเนี่ยไม่เคยมีคนไหนเลยที่มีกําลังใจแบบนี้ที่ตอนที่เข้เหนื่อยจนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มีแรงแล้วเนี่ยแต่พอไปดูคนไข้คนเนี้นะคะก็ได้กําลังใจเพราะฉันเลยยังมีเรื่องอะไรเบิกบานให้ให้ให้รู้สึกว่าอื มันมีของที่น้ า, ท, าทําอีกแล้วเนี่ยค่ะเขาอยู่จนกระทั่งลูกเย็นเยือ น, นนะสอบเห็นพรานเข้ามาหามวิทยาลัยได้แล้วก็บอกแม่ว่าแม่เขาเอ็นติดนะแล้วเขาก็เลยบอกกับพวกเราว่าเขาตายนอนตายหลับแล้วเพราะเขา้อมพริตติสว่าอะไรอะไรที่เขาอยากอ ย, ยากห่วงลูกี่บอกลูกเนี่ยขเยขาก็คิดในใจลูกหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็ ตอนที bay, it, ่เขาจะเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะตอนเช้าก็าานข้าวรองสาวเขาก็มาดูทำมาและหลายให้เด็ดเรีบย้อยเขาก็บอกว่าเธอจะไปภักก็ไปได้ละเขาอยากจะมีเวลาอยู่คนเดียวเงียบหน่อยนะคะนั่นแหละค่ะพอน้องกับมาดูอีกทีเขาสิ้นใจไปอย่างสงบเหมือนใบไม้ที่มันเหลืองเกิดเต็จที่ไม่ต้องมีลมพาดนะคะมันก็ร่วงลง แล้วไม่มีใครที่จะร้องไห้หรือเสียใจเลยทุกคนจะระลึกถึงเ้าอย่างมีความสุขก็กล่แล้วก็คล้ายๆกับว่าจะจะพูดกว่าเข้าเคยมีคำครบตรงนั้นมีอะไรตรงนี้อะไรคือไม่มีใครร้องไห้เลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมีมางามมากๆเลยะคะ่ะด้วยบางคำเนี่ยพอเราได้ถึงคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราจะเราจะ เราโศประการรับการเสียดายแต่นี Toyota ่ทุกคนมีความรู้สึกว่าตลอดเวลาที่เราอยู่เนี่ยเขาเข้าเป็นความเรื่องเริงบันเทิงเขาไม่ได้นำใครจะไปรู้สึกว่าเําตายไปเร็วเกินไปหรือว่าเขาเป็นภาระหรือะไรนะคะรักยังมีความรู้สึกเนี่ยแต่ว่าเอาอยากอยู่เขาอย่างอยู่ค่ะ ขึ <PTSD> Spirit, TA, the ้นตรงนี้คท well ี่ฉันว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็ถ้าเกิดเราดูแลคนไข้เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยและเราสามารถที่จะรู้สูดคนไข้แต่ละคนของเราได้อย่างเนี้นะคะมันจะชื่นใจเมื่อบางครั้งตอนที่ทํานี่ยเราก็มีความรู้สึกเราทําดีที่สุดละแต่ก็ก็ตายไปแล้วบางที่เรารู้สึกเราก็ใจร้าก็มีทิ้งได้ด้ยนะเพราะมันใจสภาพที่มันไม่ไหวจะมาด่า ที่มันไม่ดีแต่ถ้าเกกับคนไข้แต่และคนเรารู้สึกได้อย่างคนสุดท้ายที่ดีฉันเล่าเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าใจต่อใจมันมันสันดึงกันแล้วก็ประสุการณ์ที่เราได้แต่คนไข้แต่และคนเนี่ยบัญชีเราสามารถเอาเขามบชรยกับคนไข้ใหม่ของเราก็มันกับประสบการณ์ที่เราได้จากเขาเนี่ยทําให้เราม า, รมราเรามางระไว้แล้วพาเรา ตามแบบนี้เราก็ชื่นใจที่คนไข้คนใหม่ของเราเนี่ยได้เข้าถีงความสุขขึ้นเข้าถี่ขึ้นนะคะจี่ได้บอกว่าถ้าเกิดเราโง่คนไข้แต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์เราแล้เขามาสอนเราให้เรารู้ขึ้นเมื่อเ่อย่างเม่ก่อนนี้เมื่อดิฉันจบใหม่ๆเนี่ยดิฉันติดว่าคนไข้ที่โง่มาแล้วเนี่ยไม่ฟู้ตัวค่ะเพราะได้ตำราทุกอันจะบอกว่าคนไข้ที่โง่มาแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะ แต่พอดิฉันมีคนไข้ที่โคมากแล้วรอดตายมาได้หลายแรกเนี่ยจะเล่าให้ฝากว่าดิฉันพูดอะไรเนี่ยเขารู้หมดเลยเพราะว่าเขาเป็นเด็กเออที่บ้านถูกไฟไหม้และกบเขาเ้าอายุประมาณแปดวกพอรอดได้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปหาบ้านใหม่แล้วเขาก็ยังจะต้องถูถ่ายผิวน้ำอะไรต่อเลยเขาก็เลยฝากไว้ที่โรงพยาบาลเด็กนะคะ เด็กคนนี้ก็เป็นเด็กที่ไม่อยู่ยิ่งกัดเขาจะสังเกะไปหมดเลยแล้วพอเวลาที่เรามีคนไข้หนักในในในต่อคนไข้เนี่ยเขาก็จะมาทีมพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลดูแลเขาก็จะไปที่หัวหน้าพยาบาลที่เราให้เตรียมน้ำเกลือหรือเตรียมที่จะไปดูแลคนไข้หนักที่เข้ามาใหม่เนี่ยแล้วเขาก็จะบอกผมจะช่วยเอาไอ้หนีไปให้คุณหมอเอาไอ้นะต่อมาเขาก็จะมาช่วยเรานะคะ บางทีเขาก็จะนำเป็นพยาบาลเช็ดกอหอให้เราทําตรงโน้นตรงนี้แล้วก็คนได้หนาดมาเนี่ยเขาก็จะนันตอนที่เขาเข้ามาค่ะก็หลายเนี่ยตอนที่ก็าเข้ามาเนี่ยเขาไป่รู้ตัวหมดเลยแล้วเขาก็นานเขาก็สั่งอยู่ตลอดเวลาแล้วเนื้อส่วนเขาันจะมาเลาะบอกเปิดว่ามาถูกไฟไหม้หมดจนหาที่จะให้น้ำเดือมไม่ได้หรือมันนั่นี่ไอที่อะไรค่ะ ดับเพิงฉีไอที่ซ้ายที่ยินขึ้นมาเราก็ไม่กล้าที่จะไปหาเท้าแล้วว่าเอาจะยังสอดเข้าไปเพื่อจะให้มันเชื่อเพกลัวมันจะติดเชื้อนะคะก็เหลือแต่หน้าเขาเนี่ยซึ่งแตกหมดแล้วเนี่ยไอเส้นเลือดกลางกับหมอบเขาเนี่ยมันจะเหนีวและมันจะมีมังคุแต่มันก็เป็นเส้นเดียวที่เราเห็นได้ค่ะดิฉันก็บอกกับพยาบาลน้องพยาบาลว่าจะให้แน่นได้ละ ขอไปลาครึ่ง น, นาทีะนะนาทีฉันจะเอาเส้นเนี้นะคะแล้วก็บอกไวว่าถ้าได้นี่นะต้องเก็ไบไว้สามวัน จ, บบจนกว่าเนล้างเลือดตัวาใอยสะอาดได้แล้วเราก็ค่อยให้ที่อื่นจะมาละมากจนมานนกน้องเพียร์นย้นก็มติดต่อว่าจะหละบับปากอีามันมเจนก็นั่นงดใจขอท่านดีค่ะเราก็มองหน้ากัน ในกาลว่าผีหอแต่กั้แต่นั้นที่บอดี้เขจะทำอะไรนะครับที่ม่ก็เคี๋ยพูดดังๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาเลือกค่ะนั่นเนี่ยพอเขาขี่ขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ปรงกฏว่ามีคนหนักเท่าๆเนี่ยเข้ามาเขาบอกมาแติมได้ไหเติมเงนได้ไหวันนั้นเายที่บอกเขานี่พยาบาลว่าให้จับหัวเขาให้นิ่งราหัวเขาตัดตลอดละหงจะโนจุดเทียงเลยแต่ปรากฏวเสียหัวแม่ออกมา แต่คุณหมอเห็นว่าผมดำหัวยิ่งเลยคุณหมอพูดเลยเนี่ยผมดูทำงานเลยก็เลยเออมันโม้ออากาศแล้วร็จถ้าเราต่อไปต่อไปต่อไปที่มันดูเพื่อที่จะปุ่ไทายผิวหนัะคะแล้วมันก็ค่อยๆเล่าทีละตอนต่อๆซึ่งมันจริงดีเลยนะคะไอ้นี่มันพูดเนี่ยมันเหมือนที่ดิฉันพูดทุกคำเลยค่ะแต่ว่าเาว่ามันคิดเอาเองก็ไม่ได้ในที่สุดทีฉันก็เลย ตลยนาตำราของเราเนี่ยคนเขียนตาราเยไม่เคยเฉียดตายมาถึงจะเก่งยังไงยังไงเป็นโปรเฟสเซอร์เ่ยก็ตายแต่ไม่เคยเฉียดตายมาแต่อันที่มันเฉียดตายมาจริงๆแล้วมันพูดเนี่ยสนใจกะต้องเชื่อมันและต่อมาก็มีคนไข้อื่นๆที่แบบนี้นะค่ะแล้วเขาก็จะเล่าถึงประสบกรารเขาเราก็เลยฟังเขามากกว่าที่จะเชื่อตารา เช่นนี้่ะเชื่อสนิทเลยได้ได้ได้ยิ่งพอไปปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าร่างกายเราเนี่ยถึงมันจะหนักนะสารอาหารมันจะโกมาอย่างไรเด็กใจเขารู้ทุกอย่างหมดค่ะทีนี้ทําไมอะที่เราไปคิดเอาว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเวลาที่คนไข้หรือเราเองจะพูดเนี่ยเราต้องเป่าลงผ่านกล่องเสียงออกมาเหมือนเราเป่าปืนีอย แล้วเวลาที่เขาเก็บหนักหนาสาห์อย่างนั้นเนี่ยก็มีแหล่ที่ไหนอะคะที่จะปลอบประโนี่ยมัดังได้อะเพราะฉะนั้นก็าถึงบอกเขาจะโอจุดเสียงแล้วแหะค่ะเสียงมันได้หอเขาดับพูดจุดเสียงด้วยเสียงของใจญ่เขาเราไม่มีโทรจิตเล่าแหละหูหนวกแล้วเราก็ไมปโทษเขาว่าเขาไม่รู้เรื่องเล่าแต่เล่าไม่รู้เรื่องเขานะคะเพราะฉะนั้นเราพูดอะไรอย่างมีคนได้ลายเลยค่ะ เขาโคม่ามาจากตำรวจทางหลว ง, ง, งเอาเขา้ามาจมลงพยาบาล น, นี่แหละและ้วเสร็จแล้วเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาได้ยินพูดไปหมดทุกคำว่าผมที่เป็นลงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ก็จะนั่งขอบูใจมากว่าเขาอยู่ในบูร์หมอที่ยังไงยังไงเนี่ยเจะบอกพิเศษมือ ห, หนึ่งแล้วนะคะ่ะแต่พอถึงเวลาสี่โมง อาจารย์หมออาจารย์เวทก็พาฤิไปราวกอดแล้วก็พูดลิอฤิตว่าคนไข้คนนี้ไม่ต้องตามผมีกแล้วะแล้วก็ไม่ต้องแหละเพราะยังไงยังไงก็ไม่เกิดเชื่ยงคืนคืนนี้เขาบอกแหมที่เขาภูมิใจอกขุนใจเขารู้สึกเหมือนเอาหังแข็งแห้งมาวางอยู่บนเตียงแล้ว้เขาก็เห็นว่าเป้นแต่ไข่ฉลามทจะต้นคอไปจนรังถึงก้นกกเขานะคะแล้วเขาก็เลตนี้บของพึ ว่าจะดึงสอยาวนะคะและสมัยก่อนนั้นนาฬิกามันไม่ใช่ดิจิทัลแบบนี้จะมาับก็ดังดติ๊กติ๊กหรือจสาวพังหัวเทียนเขาแบบเขาก็บอกอถ้าเปิดนั่งนะไอ้ทิ๊กๆินี่นะไม่รูงมันจะกีพันกี่มื่นาันกว่าจะดึงเทียงคืน mm hmm. เขมงประาทไปก่อนที่เขาเป็นชาวอีสานแล้วก็เมื่ออาุี่สิเข้าหัวได้พ่อหน้านะคะแล้วอุปจารเขาก็ ขอให้เขาทําสมาธิแต่เขาบอกเขาไม่เคยอีกตัวเลยนะคะเขาก็อ่ะเราเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นเราทําสมาธิรูชาพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันทีนี้ก็เป็นอย่างนั้นแน่ใจก็งงแนวนิ่งค่ะเขาก็บอกพอผมเริ่มต้นกับการทาสมาธิไปหน่อยผมก็สลบไปเลยแท้ีจริงนะจิตเขาดวงกันแล้วบอกเขารู้ตัวขึ้นมาทีเนียวเขาบอก มีจุดสว่างกลางระบเขาคือก็าเห็นจิตกรรมเลยค่ะจิตเนี่ยเวลาที่มันนี่เนี่ยมันจะเป็นดวงสว่างแล้วเขาก็บอกมันก็อุ่นลงไปแขนสองแขนเขาก็อลองลองขยับแขนโู้ขยับได้แล้วมันก็อุ่นลงไปขาสองขาโอ้พึ้นตัวตะแกนได้ด้วยแต่คอมก็ค่อยฟื้นทีขึ้นมาจนกระทั่งเขาหายดีค่ะ แล้วหลายอย่างที่ฉันไม่ได้เห็นเข้าตอนเข้าเก็บรบนะคะแต่พอเขาหายดีแล้วก็ไปฟังรายการที่ฉันบรรยายที่โรงพยาบาลรามาและพอจบเนี่ยค่ะเขาก็ขอโอกาสแล้วเขาก็บอกว่าเำปั้นเล่าเรื่องของเขาอยให้ฟังแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณหมอมีโอกาสไปพูดได้หมอและพยาบาลฟังอย่าลืเล่าเรื่องของผมให้ฟังด่วยนะครับแล้วผมก็ว่า ถ้าเราสามารถเป็นจํานวนสัมโนกตัวในรวนรกสวรรค์ได้เนี่ยจะมีก้ไข้เยอะไม่ได้ตายเราโลกครับแต่ตายเพราะคำพูดของคุณหมอที่ฉันนิ้เลยนะค ะ, ะ, ค ะ, ค ะ, ะนี่ค่ะที่ได้กระเทาะลึก้าหนึ่งค่ะแต่ก็ดึงโอ้โหดีดีไม่ดูี่ก๊อฟกลับมาพูดให้เราฟังได้นะถ้าเขาตายไปเนี่ยนะเขาจะจดเราไว้ว่า เห็นเขาตัวบ้านมีเจ้าขึ้นอย่าไรบ้างเนี่ยค่ะเหบอกาชีพนี้ก็ไม่ดีเลยนะคะเราเราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากายเห็นบ้างยี่ให้เขาจอเงินจับจับเป็นเท่าไหรเนื่องเผืไม่มีอะไรจะถามหรือไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมนะคะก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์